มัชชิมวัยของหลวงปู่ศีมหาวีโรในบังคราวแม้ท่านจะอยู่ในมัชชิมวัยย่างประชิมวัยแล้วท่านยังนําคณะขาโนติษ์ของท่านเที่ยวทุดงกรรมฐานเหมือนกระวายหนุ่มไม่เห็นใจ ค, ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเที่ยวอบรมสั่งสอนคนที่หลงงมงายนับถือสิ่งที่ไร้เจนสารให้หันหน้ามานับถือพระตนตรยัยปรากฏว่ารายทางที่ท่านผ่านไปกลิ่นธูปควันเทียน เครื่องตั้งเวยพูดผีได้กลับกลายมาเป็นเครื่องบูชาสักการะพระตนไตรแม้หนทางที่ท่านก้าวเดินจะเหน็ดเหนื่อยแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อในการสงเคราะ์โลกเพราะท่านถือว่าร่างกายกับคุณความดีแตกต่างกันไกลลิบลับเพราะร่างกายสลายไปทุกขณะส่วนคุณความดีดำรงอยู่ชั่วกับชั่วกันในปีพุทธศักราช2511ถึง2514 ท่านพาคณะติดไปทางอำเภอโพนทองเพราะที่นั่นมีคนนับถือผีฟ้าและผีปอบมากเมื่อไปถึงท่านจะเทศนาสั่งสอนขัดกล่าวจิตใจคนที่นับถือผีเสียก่อนว่าการนับถือผีไม่มีประโยชน์ส่วนการนับถือพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าแล้วผีไม่อาจเข้ามาทําอันตรายได้พอตกตอนค่ําท่านและคณะก็จะนอนตรงที่ว่าผีดูดเมื่อตื่นเช้าขึ้นมา ไม่เห็นผีกล้าสามารถทำอันต ร, รายท่านแต่อย่างใดคู่คนก็เพิ่มความศรัทธาในท่านเป็นอย่างมากแล้วท่านก็จะแสดงธรรมย้าว่าชีวิตมนุษย์ไม่ควรมีผีเป็นสาระเพราะผีไม่ใช่ที่พึ่งที่แน่นอนให้หันมานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งที่แน่นอนมั่นคงใครที่มัวนับถือผีเป็นที่พึ่งถือว่าเกิดมาเสียชาติเกิดชนทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อได้ฟังธรรมที่ท่านแสดงแล้วถึงกำนั่งร้องไห้กันทั้งหมู่บ้านหันมาขึ้นต่อพระไตรสรนคมท่านก็จะรดน้ำมนต์ให้ในขณะที่ท่านรดน้ำมนต์ให้นั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนของผีที่สิงอยู่ในร่างคนทั้งหลายพยายามต่อสู้กรีดร้องดังไปไกลหลายช่วงปากและไม่นานคงเหลือแต่เสียงสือึกสอื้นและในที่สุดก็จะสงบลงเมื่อกลับไปบ้านพวกเขาก็จะทำลายเห้งบูชาพูดผี อย่างไม่อะไรเสียดายในบางครั้งหลวงปูศ่ศรีท่านก็เมตตาเล่าเรื่องผีที่ท่านสัมผัสได้ให้เฉพาะสิใกล้ชิดฟังท่านบอกว่าพวกพูดผีก็เหมือนพวกมนุษย์เรานี่แหละมีทั้งดีและชั่วเหมือนคนเรามีทั้งดีและชั่วผีไม่ดีก็จะถูกจับไปกักขังไว้ในคุกเหมือนโลกมนุษย์เราบ้านเมืองผีก็ใหญ่โตเหมือนบ้านเมืองในโลกมนุษย์เรามีหัวหน้าปกครองเหมือนกันทุกอย่าง แต่ที่แตกต่างคืออํานาจของบุญผีทั้งหลายจะเกรงกลัวผู้มีบุญวาสนาที่สั่งสมมาดีแล้วและผีที่มีนิสัยทางบุญก็จะสนใจในบุญกุศลเหมือนกันแต่ที่เป็นผีเพราะต้องมาชดใช้กรรมตามบาระเท่านั้นในการเที่ยวอบรมสั่งสอนออกธรรมยราของท่านไม่ได้ราบรื่นเสมอไปในบางครั้งมีผู้พยายามต่อต้านด้วยวิธีการต่างๆบางคน นับถือถีมาตั้งแต่โคดเง่าเหล่ากอจน จ, จิตใจกลายเป็นเปรตผีไปเสียทั้งหมดที่วพยายามต่อต้านท่านเห็นว่าท่านจะผ่านไปยังหมู่บ้านใดก็ไปเที่ยวโพนธนาเป่าประกาศร่วมหน้าว่าคอมมิวนิสต์มาแล้วพวกมารศาสนามาแล้วในคราบของพระห่มเหลืองเป็นผู้นำให้พวกชาวบ้านพากัน ร, ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเมื่อท่านเดินทางไปถึงพวกมารเหล่านี้ ก็จะคอยก่อกวนด้วยวิธีการต่างๆทำให้ลูกศิษย์เดือดร้อนใจจึงเข้าไปกราบเรียนท่านก็บอกว่าก็ช่างเขาเถอะอย่าไปสนใจพวกมันเลยและท่านก็สอนสศิษย์ว่าคนฉลาดถึงมีตาดีก็ทำเหมือนคนตาบอดถึงหูดีก็ทำเหมือนคนหูหนวกถึงมีปัญญาก็ทำเหมือนคนใบ้ถึงมีกำลังก็ทำเหมือนคนไม่มีกำลังเมื่อมีความจาเป็นขึ้นมา ถึงจะนอนอยู่ในเวลาใกล้จะตายก็ยังทำประโยชน์ใหญ่ได้ภายหลังเมื่อพวกนั้นก่อเรื่องราวมากเข้าถือค้อนถือมีดหวังเข้ามาทำร้ายท่านท่านอดไม่ได้จึงพูดขึ้นว่ามีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวแผ่นดินจะสูบนะท่านพูดสั้นๆเพียงเท่านั้นพวกมันเห็นอำนาจอะไรของท่านก็ไม่ทราบพากันวิ่งวิ่งวิ่ ง, ว, งวิ่งแตกตื่นนีราวกับพึ่งแตกรงังกระเจิดกระเจิงทิ้งค้อนทิ้งมีดทิ้งขวาน วิ่งนีตเตลิดเปิดเปิงแบบไม่คิดชีวิตนี้คืออำนาจจิตของท่านเป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราเราท่านท่านไม่อาจสามารถจะรู้ได้เมื่อกล่าวถึงอำนาจจิตของท่านมีพระอดีตผู้ใหญ่บ้านที่สละบ้านเรือนออกบวชติดตามหลวงปู่สีเลยเล่าด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในอำนาจจิตของท่านไว้ว่าตอนที่ผมยังไม่ได้บวชและยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านผมเข้ามายังวัดป่ากรุงใหม่ท่านเทศนาสอนว่า เรามาประพฤติปฏิบัติให้ตั้งอกตั้งใจผมก็พูดสวนท่านขึ้นว่ามามันเห่าทางบ้านผมห่วงว่าจะมีโจรขโมยควายท่านจึงบอกว่าจะเอาของดีให้ทำไมมาพูดแยง้งไม่ใช่วิธีนะผมก็ยังพูดแย้งขึ้นอีกว่าผู้ใหญ่บ้านเขาเปิดบ่อนการพ น, นันคนเล่นคนจีนคนเที่ยวมันเยอะไม่รู้ว่าควายที่บ้านจะยังไงมาตัวอยู่บ้านมันเห่าท่านก็เลยด่าเอาว่า มาประพฤติปฏิบัติในศีลธรรมจะไปกลัวทำไมกับของแบบนั้นถ้าหากเราประพฤติดีแล้วไม่มีใครมาทำอะไรเราได้หรอกปืนก็ยิงไม่ออกไฟไม่ไหม้ตกน้ำไม่ตายไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ตราสไว้หรอกสวาคขาตธรรมคนไหนประพฤติธรรมคนนั้นไม่มีอันตรายผมฟังท่านแล้วผมไม่เชื่อผมไม่เคยเห็นว่าธรรมะจะรักษาหัวควายที่บ้านผมได้ผมก็เลยขอลาท่านกลับไปบ้าน แยกไปคนเดียวสัญญากับเพื่อนไว้หากมีเรื่องจะฉายไฟเรียกพอกลับไปถึงบ้านเห็นข้อควายโดนขโมยเปิดไว้หมดแต่ควายไม่ออกไปจากคอกปรากฏว่าพวกขโมยมันเอาสนตะภายควายตัวผู้ดึงควายตัวผู้ออกหนีจากหมู่พวกแตลูกน้องสาวผมจึงถามพ่อว่า พ่อนอนต่างไหมหมายถึงนอนแล้วรู้สึกมีอะไรแปลกๆหรือผิดปกติหรือเปล่าพ่อบอกว่าลูกเอ้ยควายมันหลุดวิ่งไล่ขวิดกันอยู่ไปผูกหน่อยผมก็โมโหบอกพ่อว่าเขาจะขโมยควายเราแต่ควายเราไม่ไปผมเลยฉายไปเรียกเพื่อนเพื่อนสิบสองคนจึงมาดูด้วยกันต่างคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันอัศจ ร, ร, จริงอย่างท่านหลวงปู่ศีว่าผู้ใดประพฤติ ร, รมทำย่อมรักษาผู้ประพฤติ ร, รมนั้น ผมขาอ่อนเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นดินตรงปากข้อควายหันหน้าไปทางที่หลวงปู่สีอยู่กราบขอเป็นลูกศิษย์ท่านนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผมจริงๆหลังจากนั้นมาผมได้มากราบฟังธรรมท่านเสมอและมีเรื่องอัศ จ, จรรย์ในคุณธรรมของท่านเสมอจึงเกิดศรัทธาแจ่กล้าสละบ้านเรือนออกมาบวชประพฤติศีลธรรมพระอรหันต์แสดงธรรมให้ฟังที่เขาผาน้ำย้อย ในฤดูแรงอากาศร้อนอบอ้าวของทุกปีท่านหลวงปู่ศรีมหาวีโรมักจะนำคณะสิทธิ์ออกเที่ยววิเวกเจริญสมณธรรมตามป่าตามเขาลึกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภูเขาเขียวหรือเขาผานํา ย, ย้อยหรืออีกชื่อหนึ่งว่าดงมะอีมีพื้นที่ติดต่อสมจังหวัดคือกาลสินมุกดาหารและร้อยเอ็ดสถานที่แห่งนี้ภูอัธยาสายท่านเป็นพิเศษตั้งแต่ท่านอุปสมบทมาใหม่ จนกระทั่งเข้าสู่วัยชราเมื่อมีโอกาสท่านจะออกมาเที่ยวเจริญสมณธรรมบริเวณเทือกเขานี้เสมอท่านเล่าว่าการมาเจริญสมณธรรมตามสมณวิสัยที่เทือกเขาผาน n a ย้อยนี้ท่านมักได้อุบายธรรมแปลกประหลาดและอัศจรรย์เสมอตั้งแต่คราวยังหนุ่มยังน้อยร่างกายท่านยังแข็งแรงท่านมักมาเที่ยววิเวกเพียงองค์เดียวอยู่ในป่าลึกๆสนุกในการเจริญนิพพานา การพิจารณาธรรมต่างๆคล่องตัวไม่เป็นที่ติดขัดอากาศก็เบาสบายตัดเสือช้างก็ยังมีให้เห็นดาดดืมอยู่สงัดกายสงัดจิตจากอุปธิสัพพกิเลสที่มาก่อกวนรุมเร้าจิตใจบางครั้งบางคืนปรากฏว่ามีพระสงฆ์สาวกอรหรันมาแสดงทําให้ท่านฟังตามอริยะประเพณีโดยปรากฏทางสมาธินิมิตใจความโดยย่อสรุปได้ว่าสมณะไปที่ใด อยู่ที่ใดไม่ควรติดข้องอยู่กับการสถานที่เวล่ําเวลาควรตั้งจิตบําเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นทุกลมหายใจเข้าออกชีวิตที่กําลังก้าวผ่านไปในปัจจุบันคือความไม่แน่นอนที่ผลแห่งกรรมปรุงจิตแต่งขึ้นตั้งแต่อดีตถ้าหากกรรมในปัจจุบันไม่แน่นอนก็จะส่งผลร้ายในอนาคตการมีชีวิตอยู่กับการตายไม่มีความต่างกันในทางธรรมะ เพราะเป็นหลักธรรมดาที่มนุษย์และสัตว์โลกต้องผ่านพบเป็นประจำนิสัยการบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อความหลุดพ้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ต่างหากเป็นจิตที่สมณะพึงกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นสมณะที่มีความมุ่งหวังว่าจะสิ้นกิเลสได้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้เป็นสมณะที่ไม่นิ่งนอนใจต้องเป็นผู้มีความเพียรแผเผากิเลสแจกระลาสมณะเช่นนี้แหล เป็นสมณะสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อพระสาวกอรหันมาแสดงทําให้ท่านฟังแล้วก็อันตรทานจากไปท่านก็น้อมเอาธรรมนั้นมาพิจารณาใคร้ครวญไตรตรองให้เกิดสติปัญญาท่านเล่าว่าเพลิดเพลิน ด, ดื่มด่ำในพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนท่องเที่ยวอยู่ในแดนอมตะมหาเนรุพานข้ามความโศกเศร้าร้าวราน ลืมวานลืมคืนจิตใจจดจอ่ออยู่กับการพิจารณาทำทั้งหลายทั้งเบื้องบนเบื้องล่างจิตออกรู้เห็นทั้งแดงนนรกแดนสวรรค์พรหมโลกออกรู้เห็นความระทมทุกข์ของสัตว์ตระกูลเห็นความบันเทิงสุขของเหล่าเทพในสวงสวรรค์เห็นความยาวนานของชีวิตในพรหมโลกเมื่อย้อนจิตกลับเข้ามาข้างในพิจารณาธาตุขันธ์ที่ถูกกรรมปั้นแต่งขึ้นมาเหมือนเดนที่ถูกช่างปั้น ปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่ถึงเวลาก็แตกสลายแล้วก็ปั้นขึ้นมาใหม่โดยอาศัยด well, ินเดิมเปลี่ยนรูปลักษณะไปต่างๆนานาจนช่างปั้นคือจิตไม่อาจจํำผลงานคือภพชาติที่หมักหมมมาเป็นเวลานานแสนนานได้บางครั้งถึงกับน้ําตาร่วงเมื่อพิจารณาถึงชีวิตธาตุขันและภพชาติที่เวียนว่ายตายเกิดผ่านมามีแต่เรื่องแบกกองทุกนานับประการหาประมาณ และหาที่ยุติแทบไม่ได้ทําให้เกิดสลดสังเวชสุดประมาณเห็นทุกข์และเห็นโทษของทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือกิเลสตัณหาเห็นทางดับทุกข์คือมรรคมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เมื่อจิตพิจารณายับยั้งอยู่เป็นเวลานานจึงถอนออกจากสมาธิท่านเล่า ว, ว่าพระอรหันต์มาแสดงทําให้ฝั่งนั้นมีทั้งระสาวก k e อรหันต์ในสมัยพุทธกาล และพระอาหารหันต์ในสมัยปัจจุบันที่นิพพานในเมืองไทยเมื่อพระอาหารหันต์จะนิพพานท่านก็แสดงนี้ไม่ให้เห็นว่าเป็นผู้หมดความกังวลห่วงใหยเมื่อถึงเวลาธาตุขันท่านจะแตกสลายตายลงไปท่านก็ไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเป็นผู้มีความมั่นคงที่สมบูรณ์ด้วยกิจสมมติเหนือโลกสมมุติทั้งหลายท่านเล่า ว, ว่าทุกครั้งที่มาเจริญวิปัสสนาที่เขาผาหน้ําย้อยยังมีพวกกายทิพย์ เทพพรมอันเป็นภพภูมิเบื้องบนมาปรากฏให้เห็นเสมอบางท่านมาขอฟังธรรมบางท่านมาแสดงฤทธิ์ให้เห็นประจักษ์ถึงบุญญาที่สมภานและบางท่านแสดงการจุติคือการอุบัติเกิดและวิบัติแห่งเท พ, พยายดาเป็นจุตินิมิตให้ทราบล่วงหน้าเทพนั้นถึงคราวจะวิบัติย่อมมีเหตุอาเพศวิปริตเป็นนิมิตเตือนล่วงหน้าคือย่อมเห็นดอกไม้ทิพยเครื่องประดับสำหรับองค์ อันอยู่ในดิมานของตนเหี่ยวแห้งและไม่หอมผ้าทิพย์ก็เศร้าหมองไม่รุ่งเรืองสดใสเมื่อถึงการวิบัติเทพที่เคยสุขรื่นเรืองบันเทิงใจด้วยการเสวยทิพยสมบัติแต่เมื่อถึงคราวจะพัดพรากก็หาความสุขในทิพยสมบัติไม่ได้อาสนะที่เท่นบรรทมอันแสนสุขก็ร้อนลุกเป็นไฟกายของเทพนั้นย่อมเหี่ยวแห้งเศร้าหมองลง หารัศมีดังก่อนไม่ได้ให้เหน็ดเหนื่อยเมเื่อเนื้อตัวตีนมือมีความกระวนกระวายใจเมื่อนิมิตปรากฏเตือนเทพที่หมดบุญที่จะเสวยดังนี้แล้วเท พ, พยาดาทั้งหลายที่รักใคร่กันเทพนารีที่เป็นบาดปริจาริกาสุดที่รักดังดวงใจทั้งใกล้ทั้งไกลย่ําไปมาหาสู่ตลอดทั้งเจ็ดวันให้เกิดความโศกสรรันทุกโท ม, มนัทนักหนาต่างร้องไห้ต่อหน้าแล้วสอึเสือื่นด้วยคําว่า เมื่อท่านจุติไปแล้วขอจงได้กลับมาเกิดในวิมานอันแสนจะสำราญนี้เถิดเมื่อเทพเหล่านั้นตายจากเทวโลกไปแม้แต่เจษาสักเส้นหนึ่งก็ไม่เหลือปรากฏหายวับไปหมดสิน้นและจากไปอุบัติบังเกิดในถิ่นใดนั้นก็สุดแต่บุญกรรมของเทพ ย, ายดานั้นจากชักนำไปนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนว่าแม้ในสวงสวรรค์วิมานชั้นฟ้าที่ผู้คนปรารถนากันนักกันหนานั้น ก็ตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบางครั้งพบภูมิเบื้องต่ำมีพูดผีตันรกชั้นมีระยะภูมิเปรตอสุรกายเป็นต้นออก็มาปรากฏให้เห็นด้วยการแสดงผลแห่งกรรมชั่วอันเผ็ดร้อนให้ปรากฏสวยวทุกเวทนาอันร้ายกาศผ่านปีเดือนอันยาวนานเห็นแล้วทาให้เฉดหลาบในการทาความชั่วอยากขยันมั่นสร้างคุณงามความดี เพราะมนุษย์มัวเมาบันเทิงสุขในโลกมนุษย์เพียงเล็กน้อยเผลอใจไปทำความชั่วนิดหน่อยเมื่อกายแตกดับตายไปตกนรกหมกไม่นานแสนนาน